พู้ไม่หลงก็ไม่หลงใจถ้าไม่หลงใจปัญหาก็ไม่มีถ้าหลงใจปัญหาก็มาใครไหมนอกจากใจไม่มีอะไรจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เข้าใจไม่เจาะนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะสร้างเหตุผลขึ้นที่ใจแผ่นดินแผ่นหญ้าเขาไม่ได้สร้างเหตุผลขึ้นกับใจนั้นถระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นดีก็พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นของใครของมันเหตุนั้นคนจึงไม่อยู่ระดับเดียวกัน ทำไมคนจึงไม่อยู่ระดับเดียวกันพระกรรมโมนารวตติโรโกโสัตโลกเป็นไปตามกรรมที่ตนสร้างไว้ไม่ใช่พระพุทธ เ, เจ้าภายนอกมาสร้างพระพุทธ เ, เจ้าภายในของใครของมันนั้นสร้างขึ้นเออนี่สร้างขึ้นเออถ้าใจมีเกีเรติก็มาเกิด น, นะถ้าเลกดีถ้าไม่มี ถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมมันถ้ไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กสนิมถ้าเหล็กดีก็ไม่มีสนิมถ้าใจดีก็ไม่มีกิเลสก็ไม่ได้มาเกิดอีกกิเลสพามาเกิดนความหลงพามาเกิดน่ะถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ไม่มาเกิดเหตุนั้นจึงอบรมซาปัญญาเหตุนั่นจึงว่าวิปัสสนาธุระก็คือปัญญาธุระนั่นเองไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระ ศีนก็ดีสมาธิก็ดีในชั้นไห น, นก็ดีต้องเป็นหมดต้องมีปัญญา ป, ญปัญญายเป็นหัวหน้าใช่ไหมนายหมวดนายหมู่ตลอดถึงผู้อย่าบ้านกำนันก็ดีหัวหน้าหมู่แต่ละคนก็ต้องเอาคนผู้มีปัญญาเป็นหัวหน้าใช่ไหมศีนจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีปัญญาควบคุมผู้มีปัญญาจริงรู้จักให้ทานรักษาศีนภาวนาผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามปัญญาพระโสดามันสักธาคาเมนาคามีอส า, า, ารา พระประเจตจะไปเทียบกันไม่ได้ฮะอืมเมตย า, าราภีมนาโหติคันติโกทุกท่านหน้าทั่วทางไตโรการงเว้นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุมาเื่อนแค <c oughs> ่เพลเดียวนี้ก็ได้ นะพุทธชมสงพูดย่อเพื่อพูดย่อพูดย่อเหมือนกันว่าเคยเห็นหน้ากันไอ้ที่แท้ก็เห็นตาเห็นแก้มไหมใช่ไหมแต่พูดย่อคําว่าพุทธชมสง์พูดย่อเพราะเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่อันเดียวกันพุทธชมสงคําว่าพุทธชมสง์กัพุทโทธโมสังโฆนั่นเอง ก็ตาิีสนาคมนั่นเองแต่พูดยอ่อเข้ามาเคยเห็นหน้ากันก็เห็นทั้งตาทั้งจมูกใช่ไหมแต่พูดอักษรยอ่อสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงในโลกยินดีในธรรมชนะความยินดีในเรื่องของทั้งปวงปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพื่อพ้นทุกข์ในวันตาสงสารปัญหาก็มามมากกรุงเทพก็คือคกรุงเทวดาเทพเทพสามสมมติเทพเทพวดาโดยสมมุติคือวิดาวันดาปูยยะตาทวจหรือท่านภูมิคุณอุปติเทพเทพวดาโดยกำเนิดกำเนิดกำเนิด วิสุทธิเทพเทวดาคือพระหันเรียกประเทพสามปฏิบัติเพื่อพรอพุทธศาสนาะเ พ, พื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารปัญหาแหม่มากปฏิบัติเพื่อลาบเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรปัญหาก็มาปัญหาเพื่อปฏิบัติเพื่อ พ, พ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารปัญหาไหม่มาก ทำไมจึงต้องการพ้นทุกขนะวัฏสงสารพระเห็นวตาสงสารเต็มไปด้วยกองทุกข์คือไฟเห็นเหมือนหนุ่มชานเทิงเห็นไตโรคธาตุเหมือนหนุ่มชานเทิงต่อแต่นั้นก็จะยินดีในพระนิพานส่วนเดียวถ้าปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อลาภเพยชน์เพื่อสรรเสริญปัญหาก็มากถ้าปฏิบัติเพื่อชนะความหลงของตนปัญหาก็แหมมากถ้าชนะ ก็ชนะความหลงของตนถ้าแพ้ก็แพ้ความหลงของตนแพ้ชนะในทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสตร์นะชนะก็ชนะเกเรของตนแพ้ก็แพ้เกเรของตนแพ้ทางอื่นชนะทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสตร์นะแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เวียนสนองเวียนไสนองไฟใช่ยหะ อันชวนหนังสือคู่บาอาจารย์หรือหนังสือพิมพ์เขาเขาเรียกขายเหมือนกันว่าเรียมชวนนี่านี้แต่ห้องในวิจารณนธมดีไไหนก็ามันมาคือพระไตรปิฎกพระไตรปิกกับเป็นเรื่องนึงห้องให้โอกาสเนีอเพราะมันหลายแต่เพื่อนว่าเอาไหวเพื่นว่าเพื่อนว่าเอาทุนไหวเพื่นก็บ่ไม่เนี่ยพิมพ์พระไตรปิฎก หรื อ, อันนักของนักทำเอกตีโทษตลอดัึงมาหาเลียอันนั้นก็ปเรียงหนึงยกไปอันนังือตงเกอาจารย์แจ้งขึ้นเรียมท่านท่านีา่เขาอธิบายถ้มสูงวันนั ก, กษาเขาบอกอยกว่างโลดด้จะเป็นยังไงมันหาสตางเล <c oughs> ยว่าสั่มถ้าโตถ้าโตว่าขายว่าซื้อว่าขายเขาบอกว่าสังวนันนี้เสหนังสือของเ้าถ้า ถ้าทำเป็นธรรมทานไม่สงวนที่คิดเท่าเสียงหน่อหมอดแล้วเข้าใจตัวไปมาแล้วชีวิตได้ว่างหรอฮะเนี่ยข้าพระเจ้านางยังเจ้านางวิชากรจันทรโครตรนางวิชากรจันทรโครตรจะขอปฏิญญาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะไม่ขายในสั่งสือที่เกี่ยวกับองค์ล็อกปูล่านิพพานังพรามสุขขังค่อยถึงภายในพานเธอน อ, อ, อันล็อกแก๊ตล็อกกัดหนึ่งเครื่องันเทาบาังจักล็อกแก็ดตะกี้ขเขาเอาไปเฮ็ดล็อกแก๊ดเท่เาเท่าน้ำยำเอรเขาได้ซื้อขึ้นมาไว้ ตั้งเก่าเมื่นผนแล้วเขายบไปใส่กวนพระพุทธลวไว้บอให้เฮ้เขากรดูถูกเข้าที่เขาอกว่าเทารานี่ย ท, ทั้งศีลทั้งธรรมบัตรทานมาพันไปแฮร์ร็อกแก๊สให้เขาแขวนคอระยำจริงๆเขากระจาตัวแทนที่จะจะสั่งสอนลูกหลานให้ทั้งศีลทั้งธรรมม่น้ำซ้ำไปทำล็อกแก๊สให้เขาแขวนคอระยำจริงๆ เราเหาสื่อขึ้นว่าเก้ามึางเงินเงินเเอาไปไว้คนพระพุทธลูกคนเดียวนี่ปิดดีเลยวไอ้บวตายไปจะสัพพรูกัตสเมิงมาสัพพายเยปริมาลัโยนิสีทุกท่านหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมือม่อตื่นเล่าภาวนาอยู่เสมอเนี่ยโยนิสีทุกท่านหน้าพูเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่จะเกิดตัขึ้นจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมือม่อตื่น เป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์เป็นสุขในพระสวสดาวันเป็นสุขในทักษะธรรมีเป็นสุขในพระอนาคามีเป็นสุขในพระอรหันต์เรียกว่าเป็นสุขไม่ถอยหลังเป็นโลกุตนาสุขเื่อมีถ้ามีโลกุตนาสุขแล้วโลกีมันดึงไปเองอัมเพียมิตายอยูั่นเป็นจิตของสงฆ์นี่แหละอันแพียมิตาเมตนจักสมพระโลกระเสิงมาลาสัมพาวเยปริมาณ ไม่มีประมาณาทั้งเ ร, รงืงบนเ้างต่ำเรื่องสูงทั้งทั้งใจโลกาหลวอปู่แผงเมตตาอยู่ทุกวันเพราะเป็นมิตรเป็นสหายด้วยเพราะปฏิจจารเป็นภัยด้วยเพ อ, อุทิศกุศลพบุญให้ด้วยออกุศลพลบุญอันใดที่ข้าพเจ้าสร้างมาในพบก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็าดีข้าพเจ้าเล ย, ยได้ไม่ดได้ก็ดีเพราะผูกขาดจองขาดอุทิศให้แก่พวงโลก ท, ทั้งสิ้นทุกชันหน้าอยู่โดยทุกเมื่อ เขอา้าพเจ้าจงพ้นจากกองทุกทั้งปวงโดยไม่เหลืออยู่ในปัจจุบันนิตปัจจุบันนธรรมอยู่ทุกเมื่อเพื่อนอภิษฐรนาโลสงสารพระอนุ์บอกว่าพระอนุ์คัดขานว่าพุทธเจ้าบุญท้องเข้าเมีนหน่อยๆท่อเมีพัดพันประกาศเนี่ยจะไปอุทิตให้ทั่วทั้งแต่โลกธาตมันก็หมดจน่พระองค์มันไม่หมดมันไม่หมดมหมดอกอานุตเอ๊ะตัคนขี่งโง่ อุทิตทอเป็นแหงหลายขึ้นตัวพระสันพว่าไม่แหงบ่หมดหรอพระันขึ้นเอาอื่นเนะันการอุทิศกุศลพลบุญเนี่ยบ่ได้หมดนี่ะันบุญทอเมรดง่ายเนี่ยอุทิตทอทั้งไตโรกทาตเนี่ยไม่ก็สามารถทวีขึ้นให้เขาได้รับเท่กัน่พสันพว่าระพุทเจ้าตัวอลศบุญกับพ่อชิดที่บุญนั่ยพระสันพว่าส่วนบาอุทิบอุทิศบ่ไดนส่วนบุญอุทิศไหนพลว่า ถ้าทำามานช่วงอุทิศในพุกินบ่ตดเส้นบวชอุทิศใดเส้นบาปอุทิศบุตรใดเส้นบวชนะสัพพะทานังธรรมทานังสิณารติให้อะไรเป็นทานเขาไม่เท่าให้ทําเป็นทานให้ทําเปนาน็นทานชนะทานท่างปวงเป็นห่วงบุตรที่ใเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระมรมศาสีราเป็นห่วงภาษาดิเป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลก พ้อสร้างสอนเฮดเดอร์สันมันชวัว่าไปเฮดเดอร์สนก็เรียกว่าหายทําเป็นท่านคือกันย่าไปเรียนโบกย่าไปเรียนบี้ย้่าไปเกณฑ์เราเม้ า, า อ, านานอย่าหนุ่มเงย์นะเนยย่าไปทําชัว่อันนั้นก็เรียกว่าหายทําเป็นท่านสอนโรงเรียนย้เสมอเนี่ก็เรียกว่าหา้ทําเป็นท่านคือกันแจงสอนไปทังโลกขี่มันเป็นสอนทางโลกกระจา ทำไมจึงมีพยาบาลเพราะร่างกายมีโรคทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมพระจิตใจมันมีกิเลสจริงปฏิเสธไม่ได้เพศสัจฉขันเว้นไม่ได้เีวรนเชือเครื่องนุ่งหมอุปโภคบริเครื่องนุ่งหมปฏิเสธไม่ได้บิณฑบาตเครื่องเลี่ยง แก่หิวประจําวันเว้นไม่ได้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันลมกันฝนกันยุงกันลิ้นกันสัตว์เสือครานก็ปฏิศเสธไม่ได้เภสัตชขันต์การรักษาโรคก็ปฏิศเสธไม่ได้แล้วก็ปัจจัยสี่จีวอนมิทธบาดเสนาสนะและเพสัชปัจจัยเครื่องอาศัยของมันปรชิดเรื่องนิสัยมีจีวอนมิทธบาดเสนาสนะและเภสัช เพื่อปฏิบัติเื่อคนทุกข์ในวัฏจรสงสารคำสอนอันไหนที่พระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยแลระห ว, ว่างผัวกับเมียก็สอนกินก็สอนนั่งก็สอนนอนก็สอนดื่มก็สอนจริงไหมพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลย เดินก็สอนนอนก็สอนนั่งก็สอนถายก็สอนแล้วไม่เป็นไข้จากไม่ยืนถ่ายอุจระถ่ายปัสสาวะเราไม่เป็นไข้จากไม่ยืนถ่ายอุจระถ่ายปัวะแล้วไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจระถ่ายปัวะบ้วนแคระลงในของเสียเราไม่เป็นไข้จากไม่ถ่ายอุจระถ่ายปัวะบ้วนแคระลงในน้ําพระเน้น เราจะไม่ฉันแอบลิ้นเราจะไม่ฉันดังรับแกรบเราจะไม่ฉันเรืยมมือเราจะไม่ฉันขอดบาดเราจะไม่ฉันเรียริ้วชี้ปากเราจะไม่ฉันทํากับพักผู้เจ้าให้ตุย๋ยเราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพรางสิ ник, งทธิ์นีนนน่เราจะไม่ฉันปล่อยมาเล็กเข้าตกรงในบาดหรือที่นั้นเราจะไม่ฉันแอบเลิ้นหดติ้นไว้อย่าไปทําเหมือนงูเ อ, อ, อย่าเรียริ้วชี้ปาอ เดามือเพื่อนจะพายชนะน้ํามือเพืเ่อ น, เ, อนเหตุ น, นั้นจึงให้ฉันมือขวาเอามือใช้ไว้ซ้ําเอามือใช้สําหรับจะพาชนะน้ําเราจะไม่ฉันทํากระพุ้งแค้มให้ตุ่ยเหมือนลิงเมื่อคำเข้ายังไม่ถึงป่ากเราจะไม่เอาปาไว้ท่าเมื่อฉันอยู่เราจะไม่เอานิ้วสอนเข้าปาก เมื่อคำเข้ายังมีอยู่ในป่าเโายพรแม่พูดกลืนเสียก่อนพระพุทธเจ้าสอนมัดอันนี้อันพระพุทธเจ้ามาสอนบะมีมันเปลี่ยนอานาคไม่เยอะในตัวแล้วพระพุทธเจ้าร่างเท่าเธอร่างเท่าไม่มีน้าร่างเท่าขึ้นกุฏิปรับอาบัตทุกกดร่างเท่าแล้วเช็ดให้ดีถ้าเป็นรอยนิ้วเท่าก็ปรับอาบัตทุกกดนั่นหน้าร่างเท่า ต้องมีฝาปิดถ้าไม่มีฝาปิดเป็นนวัตทุกกฎเพราะยุงจะไปใครใส่พระบรมศาสลาสอนวัดพระพุทธเจ้านอนก็สอนเธออย่าไปนอนจดฝาบางทีเอสรรพิษมันขึ้นมาก็ให้มันเว้นไปถ้าเราไปเธอถ้าเธอไปนอนจดฝาแล้ว มันข้ามเธอไปเดี๋ยวเธอง่วงมาเธอไปตบมันมันก็กัดพระบรมสารีรามสอนสอนวัดเธอไปอยู่ป่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้สติเธออย่าลุกไปเดี๋ยวจะไปตกเหนียวเดี๋ยวจะไปชนไม้เธอมีสติเชือก่อนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวตกมันออกเธอพินหัวไปทางไหนเธอเข้ามาทางไหนต้องพิจารณาเชือก่อนอย่าได้ลุกเดินไปเลยเดี๋ยวตกเหนีวเดี๋ยว ชนต่อบอกมดพระบรมสารีรัตที่ไม่บอกไม่มีเลยเธอจะฉันเนื้อเธอจงพิจารณาว่ากินเนื้อบุรของเราความมันจึงไม่กําหนัดมากเพราะเราเดินทางไกลก็เลยอาศัยกินเนื้อบุรด้วยความจาเป็นฉันด้วยความจำเป็นพิสุอยากกินของแข็ง เช่นกระดูกเป็ดและกระดูกไก่และก้างปลาเป็นต้น อ, อย่าไปเคี่ยวกินของแข็งพระบรมศ า, ศาสีรามผู้ใดไม่พิจารณาก่อนชั้นเนื้อจะเป็นอรัตทุกกพิจารณาก่อนชั้นเนื้อเพราะเกรงว่าจะเป็นเนื้อช่างเนื้อหมาเนื้อโคเนื้อกระบืออเนื้อช่าเนื้อหมาเนื้อเสือเหลืองเสือดาวถ้าเธอได้ยินว่าเป็ดตัวนี้ไก่ตัวนี้เขาจะฆ่าให้พระเธอทั้งหลายอย่าไปกินถ้าไปกินเป็นอรรมบัตทุกกฎทุกคำเกิน บรมาสาเมื่อมนุษย์เป็นระบาดทุนนจบอกหมดวิธีคินก็บอกหมดแล้วไม่จําเป็นจะไปเถียงกันเมื่อที่อุทิศะมังสะเขาบอกว่าเขาจะฆ่าให้พระเราก็จะฆ่าทำให้พระอย่างนี้เธอได้ยินก็ดีด้วยสงสัยดังเกียจก็ดีเธออย่าไปกินได้ยินเขาพูดว่าเนื้อนี่จะฆ่าให้ข า, าดก็ดี หรือสงสัยหรือหลังเกียรติแล้วเขาจะฆ่าให้พระมาดีอย่าไปกินอย่าไปฉันพระบรมสารเป็นอาบัติทุกกฎส่วนเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติุนลใจอ่อนกว่าสังคาริเศษเนื้อมนุษย์ท่าไมฉันเป็นกังขาดเนื้อ ง, งูทำไมห้าม ถ้าเราไปโยป่ามันถูกกินมันจะมากัดเนื้อเสือก็เหมือนกันเนื้อหมีก็เหมือนกัน <umba> เสือโคงเสือเหลือเสือดาวก็เหมือนกัน <umba> เนื้อช้างนะว่ามันเป็นของพราชาไม่ควรฉันเนื้อหมาก็ไม่ควรฉันเพราะเป็นของต่ําไม่ไม่จะไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็เป็นการแล้วไปถ้าไม่รู้ก็เป็นระบาดทุกกฎเหมือนกันเหตุฉะนั้นเวลาจะฉันเนื้อจองพิจารณาก่อน ถ้าถ okay, ึงชาวในสันก็จงพิจารณาว่าฉันเนื้อพ่อเนื้อแม่ของเราชั้นเนื้อลูกของเรามันจึงไม่กัมหนัดมากเพราะพระรามศาสตาสอนอย่างพิจารณาเชืก่อนจึงโม่บริโภคปัจจัยสี่คือจีวันมิทธบาดเสนาสนะในเภสัตว์ไม่บริโภคโดยตัรหาสอนวัดพระรามศาสตาสอนพระยิ่ยงไร้กว่าสอนการคารวาด สอนคารวะก็สอนไม่ให้เล่นเลกเล่นผาได้นบัตรเลเบอร์สอนคารวะส่วนพระมันผ่านมาแล้วไม่จําเป็นจะไปสอนอีกถ้าจะบวดร่างพรรษาก็าตามถ้าไปส่งเสริมเรีลขผาบัตรเบอร์อยู่มันก็ว่าจริงจริงบอยใจก็สูงขึ้นบอยทําดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำบาบอยใจก็ตําลงบ่อย เขาเนี่ยเป็นคนมีสติมัน่นคงเขานี่ยเป็นคนมีปัญญาเขานเป็นคนมีชินห้าเขาเนเป็นคนมีเมตตาสาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเห็นไพ่ในวัดตาสงสาร นั่นก็เคยแก้จ็บใจอีกเลยบอกบาลามีแกกาแล้วบอกบาลามีแกกาแล้วสามารถอะไรให้ท่านเขาไม่ทักพักเพลินกัวันเท่คนทุกโดยด้วนเมื่อได้วางมัดเมื่อได้วางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติในพันสมบัติเมื่ได้หวังมนุษย์สมบัติหวังพรยในพานสมบัติเออมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติมันดึงไปเองมั่นนี่เขาปรารถนาที่ไปไปกรุงเทพน่ะ ไม่ต้องหวังอันไม่ต้องหวังรายลเอีดไม่ต้องหวังขอลาดมัาามมนม Xing, ต, ต, like ต้องไปเองห ม, มน <qué> Besides, ท, ท่าเมันอยู่หันถ้าไปกรุงเทพน่ะถ้าเขาไปปรารถนาถึงขอลาดปรารถนาถึงอะไเนี่ยหมนท่าเหมืนยูมหั่นขามขามเองมั่นปากซองกับไ่ต้องปรารถนาสระบุรีอยุธยาก็บ่ต้องปรารถนามันขามเองมั่นข้าไปมุกนเหมือนกันเขาผู้ขาจะขามนี่ว่า นี่พุ่มคำสอ ย, ยเนื้อฮาขอบรรดาคนท้างมห า, ม า, าเมฆ <c oughs> า <c oughs> พา่เองพระศาสนาพระนิพพานะ่ะแล้ววัดอรรถเท่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมัติพ้มสมวัติ <c oughs> ข้นาวว่าเขาซูพระนิพพานะน่ะว่แล้วล่ะมาหากินห้ขี่ด้วนี่ลนะ่ะงามกินกับเจียบแม่นบ่งามไปท้ารถลี่แม่นบ่ สมมุติปิดๆแม่นบอกเขาหอมปั๊แม่นบอกอันนี้ห่อให้ครเนี่มยมันเบๆแล่วันได้ขึ้นหนึ่งเลยลบดูดูนกันแล้วว้าวเหม็นเหม็นเหม็นเม็นพอให้คะเนีนกันเซยบนีๆๆๆๆๆ่สอร่อยตักๆพอสอนมันมันยับว่าสอนมันไปขี่ไปเลี้ยวกับมีปัญญามัดน่ะ ชี้คัดฉาวิปาษาเหิ้วเข้าและหายนา้ําก็เป็นทุกขพ์พระพุทธเจ้าอุจจาระปัสโาหติดหงปวดอุจจระก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดเสียก่อนสีต่างถูกอันเย็นก็เป็นทุกข์อุ้นหางถูกอันร้อนก็เป็นทุกข์พี่ยานาของทุกข์เลาะัตวมันถี่เบื่อนายลกูกเมื่อนี่กยกล้จะตายเขาเป็นเศร้างไหมบ่ใกล้จตายก็วงังคืนมาเนี่ยบ่อานนท์อานนท์พี่ยานากตายวันในกีดข้าง ร้อยครั้งเขาจะฆ่ า, เ, า, าเออยังประมาทเดียนะอ น, นุนทุกเราให้ใจเขาออกยิ่งดีอยิ่งได้ บ, บุญมากมีเหาพิจารณาความตายพญานุเกิดชีสเนียงพจน์โม่ตายโม่เ ห, ห่าผู้ใดพิจารณาความตายนี่อันนี้สง่ากวามตายจะมาถึงตนแต่เมื่อเวลาจะตายท่านพู้นั้นก็ไม่ประมาทเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์อย่างต่ํามีน้ำซ้ำเขอจะ ข้ามทะเลหลงไปอีกข้าเคล็บหลาเลเจ้าคุณวีณาปุญญาตาทวคุณท่านผู้มีคุณก็ไปรวมคิวกัรรรรรรรนที่พระนิพพานคุณพุทธชังสงก็ไปรวมคิวกันที่นั้นคุณเทวบุตรเทวราอินพรมยมยักษ์ตลอดถึงท่านผู้มีคุณก็ไปรวมคิวกันที่พระนิพพานวิษณสธรัมธาถึงควอมได้ความมัน ในการประกอบเครยงเรื่องชีวิตก็ดีในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีสองอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีสามกัญยาณมิตตาคืเป็นผู้มีเพื่อนในงานไม่พบคนช่ว สี่ใช่ไหมชีวิตาความริยังชีวิตในทางที่ชอบนี่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายภาคหน้าศรัทธาสมถตาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นสองศีลสมถตาถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษสามจาระศสมถา ถึงเพิอมในการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสูงให้แก่ผู้อื่นสี่ปัญญาสมถะถึงเพิอมด้วยปัญญารู้จักบาบุญคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนี่ประโยชน์ในข้างหน้าเนี่ยมีครบบริบูรณ์พระพุทธศาสตร์นาสอนสวรมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสวรสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสวรรค์พรมสมบัติเต็มภูมิ สอนเนิ้ผ่านสมบัติเต็มภูมิพระพุทธศาสนาบริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นทั้งกลางทั้งสุดท้ายทั้งอัฐถทั้งพยัญชนะด้วยสอนว่าให้ล่วงละเมิดอบายมุกทุกประเภทให้เห็นโทษพระโสดาวันไม่ใช่ได้ล่วงละเมิด อาายมุกไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินทาไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเรื่องดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหาร ค้าขายมนุษย์ค้าขายสั์เป็นและเนื้อสั์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดาวันไม่ใชีดายด้วยลวงระเมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ดาย่วงระเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่ใช่ดาย่วงละเมิดเพราะเห็นชัด ด้วยปัญญาและพราะมีดวงตาเห็นดำเห็นว่าเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเจริญทางเสื่อมจากวัตถุนิยมและอารมณ์คติและเวรไภยด้วยเหตุนั้นจึงไม่เสียดายร่วงละเมิดศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นศีลที่ปลดเวรปลดภัยแล้วเหตุฉะนั้นจึงว่าเวทนาเมีเวทนาเมีเว่นแล้วเวรอันนี้ซิ่งขาประทังสมาธิามิ เป็นชิ้น้าบวัดหนึ่งหนึ่งที่มารวมอยู่ที่ใจชิ้นท่าถ้าไมาร่วงละเมิดก็เป็นเชือกคากเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจชิ้นแปดถ้าไมาร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจชิ้นสิบสสก็เหมือนกันชิ้นสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันแปดมื่นชีพระธรรมขันธ์ก็เหมือนกันก็เป็น เชือกแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์เปรียวมารวมอยู่ที่ดวงใจจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทรดีเป็นคำสอนของพระพุธทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ใจถึงในทางทาดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทาชั่วเลย จงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วเลยอย่าเป็นผู้อ้างเอาความจำเป็นมาว่าจะทำชั่วจงอ้างเอาความจำเป็นมาว่าจะได้พยายามทำดีเถิดทำดีก็ทำไว้ให้ใจทำชั่วก็ทำไว้ให้ใจไม่ได้ทำให้ยินฟ้าอากาศเลย ทาดีก็ไปดีอยู่ที่ใจทาชั่วก็ไปชั่วอยู่ที่ใจดินฝ้าอากาศไม่ได้มาดีมาชั่วด้วยจงเห็นธรรมตามเป็นจริงของธรรมจงเห็นศีลตามเป็นจริงของศีลเรียกว่ารู้ตามเป็นจริงเรียกเขาปฏิบัติตามเป็นจริงเรียกว่ารุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริง ไปเป็นตตอนนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำชั่วให้ใจถ้าใจไม่มีปัญหาก็ไม่มีมันยุ่งอยู่กับใจทุกวันนีโรคทั้งหลายดินน้มไฟลมเขาไม่เห็นยุ่ง ยินน้ำไฟลมภายนอกดินน้ำไฟลมภายในเนี่ยมันยุ่งกับกับใจเพราะมีผู้ห่วงห่วง่ว ง, วงเพราะมีใจเป็นผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของมันเขต้องลำบากต่สิ่งไหนที่ใจเป็นไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของในทางวัตถุนิยมก็ได้ชั่วคราวเท่านั้นเดียวก็แตกสลายไปถึงอย่างนั้นก็ไม่สมประสงค์เลยในโลกนมีอะไรสมประสงค์บ้างใครเป็นผู้สมประสงค์ ไม่มีใครสมประสงค์เลยถ้าหากว่ามีผู้สมประสงค์ในโลกพระอรหันต์ก็ไม่ลาออกนี้จากโลกพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในโลกไม่สมประสงค์มีแต่เกิดแก่เก็บตายมแจะเกิดขึ้นแล้วแลผลปวนแล้แตกสลายไม่สมประสงค์เลยนีนั้นจึงข้ามพ้นทะเลหลงของเจ้าตัวไปสักเพราะปัญญาแข็งแกร่งเหนือความหลงของตนแล้วก็ข้ามทะเลหลงของตนไปสะ แต่พวกที่ยังไม่พ้นจากความหลงก็พระบารมีอย่างอ่อนจําเป็นก็ต้องสะสมขึ้นจะนอนใจให้มันแก่ก้ามันก็ไม่แก่ก้าจําเป็นก็ต้องสะสมบารมีขึ้นมีทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตเป็นต้นมีทานะไม่ไมมีทานะมาไม่มีทานะไ ม, า ย, ม, าามายบุญสาเร็จตัวการบริจาคาีศีลมัยบนสําเร็จตัวการรักษาศีล ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาชีอัปจายะตะไม่บุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแข็งท่านผู้ใหญ่เพื่อสละมานะชิตติไม่แข็งตระรงาข้าวเวีาวัจจะไม่บุญสําเร็จด้วยการช่วยคนขวายในกิจที่ชอบหกปฏิทานทําไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเมื่อทําบุญแล้วก็ออทิศทั่วทั้งใจโลกธาตุเรียกว่าทําเรียกว่าให้ส่วนบุญ พัตนาโมธนาไมยมณฑสเดีร์การอนุโมทนาส่วนบุญทำบุญแล้วได้ทราบข่าวว่ามีผู้ทำดีก็ยินดีด้วยเรียกว่าอนุโมทนาความดีอนุโมทนาด้วยใจก็ดีด้วยของอนุโมทนาดีก็ได้บุญทางนั้นธรรมัสรมมาไมยมณฑสเดียร์การฟังธรรมฟังธรรมอยู่แล้วนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง ก็เป็นบุญประตูหนึ่งธรรมะสวรรค์ใหม่บนญสาเร็จจากการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสาเร็จจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็เป็นบุญอันหนึง่งทรัพย์านังธรรมะฐานังชินาติให้อะไรเป็นฐานก็ไม่เท่าให้ทําเป็นฐานให้ทําเป็นทา น, ท น, ทานชนะฐานทั้งปวงที่นี้เราสอนบตรหลานของเราให้ละชัว่วทําดีก็เป็นธรรมเทศนาใหม่ทั้งนั้นก็เ ร, เรียกว่าให้ทําเป็นทาน สูสูสู้อย่าไปดื่มสุดาสู้อย่าไปกินสู้อย่าไปสู่บุหดีสู้อย่าไปทำผิดสอนทุงโลกหลานให้อยู่ในกอบของความสุภาพเรียบร้อยก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานเหมือนกันชน ะ, ะทานทางปงู่งทิฏฐุชุ ก, กรรมการทำความเห็นในตรง ก็เป็นบุญกองหนึ่งทำความเห็นใ้ตรงคือทำยังไงคือเห็นว่าบาปมีบุญมีคุณพ่อคุณแม่คุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณพระคุณพรหลางคุณครับที่คุ้มสงคุณท่านผู้มีคุณมีมรรคผลนิพพานมีเรียกว่าทำความเห็นใ้ตรงก็เป็นบุญกองหนึ่งเรียกว่าสมาธิความเห็นชอบก็เป็นบุญกองหนึ่ง สมาสังกปะดำริชอบดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนก็เป็นบุญครองหนึ่งสมาวายชาวายชาชอบคือเว้นจากกายทุจริตคื อ, ค, อคือเว้นจากวจีทุจริตสีพูดเท็จพูดสอดเสียพูดคําหยาพูดเพ้อเจอ้ออันนี้ก็เป็นบุญครองหนึ่งเหมือนกันสมากรรมันโตการงานชอบ คือเว้นจากกายยุจริตสามเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เป็นบนกองหนึ่งสมาอาชีวลริลยชีวิตชอบไม่หลอกลวงเขาเรี่ยงชีวิตอันนี้เ็เป็นบนกองหนึ่งสมาสติะระลึก ช, ชอบในภาวนาะระลึกในสติปัฏฐานสังทีคือะระลึกในกายว่ากายเป็นของปฏิกูลนนาเกียดโซโคโ คือเป็นของจำเป็นด้วยธาตุสีดินน้ําไฟลมไม่กี่รังยังยืนจะ่แตกไปเป็นดินเป็นน้าําเป็นไฟเป็นลมอย่างนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งสมาาสมาธิตั้งใจไปชอบในกรรมาฐานที่บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ก็ดีหรือกําหนดลมหายใจเขาออกก็ดีอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งในองค์มรกทั้งแปดนั้นส ม, สมาธิเจริญฌาน พระมชานิติเทีทยาชาติเ ท, ทยาชาติอันใดอันหนึ่งก็ดีชาตังแปลว่าเพ่งอยู่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิงแปลว่าตั้งวั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันนี้ก็เป็นวลกรหนึ่งในองค์มรรคทั้งแปดนั้นเห็นชอบดําริชอบสงเครฆ์เข้าในปัญญาเสียขาเจรจาชอบกทำงานชอบเรี่ยงชีวิตชอบสงเครฆ์เข้าในศีลศสียขา ตั้งใจไว้ชอบเพียรชอบเลื่เลือกชอบตั้งใจไว้ชอบจัดเข้าในจิตตาชี้ขาเพียรเพียรหน้าบาปบำเพ็ญบุญเพียรย่นเพียรลงมาเพียรชอบคือเพียรในที่สีลนิทานแล้วเอามาให้บาปเกิดขึ้นในสันดานระบาบาที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาให้เกิดขึ้นในสันดาน รักษาผนหรือภาวนาที่เกิดขึ้นแล้วไม้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเป็นชอบความประกอบให้มีในตนแต่ว่าย่อนลงมาเป็นรสองเพียรละชั่วทําดีเพราะว่าเพียรละบาป บ, บ, บําำบัดบําเพ็ญบุราะว่านี่คําสอนของพุทธศาสนามีแต่เนือ้อไม่มีกระดูกเลยคําสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่เหมือนคําสอนในพุทธศาสนาเลยเพราะพุทธศาสนาสอนขอบโลกแล้ว วิธีปกครองโลกพระพุทธศาสนากสอนความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นนี่นี่เป็นคำว่าภาษามคธแปลว่าความละอายต่อบาปโอตปะเป็นภาษามคตแปลว่าสรุ้งกลัวต่อบาปแปลเป็นได้ถ้าทําสองประการนี้มีอยู่ในจิตใจแต่ละท่านแต่ละคนแล้วโลกทั้งหลายก็ตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่จิตใจแต่ละท่านแต่ละคนนี่แล้ว โลกก็ทั้งหลายก็อนละมานทุกหย่อมหญ้ามีแต่เวนสนองเวนไปสนองไปโคนรไม้โคตหมู่โคตพักโคตพวกจะตั้งไว้มากๆสกเปรียงไหนก็มาอยู่เพราะไม่มียางอายตราบาร์เพราะไม่มีความกลัวตรบาร์ทาความผิดได้ทั้งในทั้งที่แกล้งและไม่ไดะที่รับเพราะไม่มียางอายาาราศาศาตรบาร์พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ทั้งลรานพระองค์ก็มายืนยันว่า ละอายต่อบาปกลัวต่อบากเท่านั้นจะพกของโรคได้ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่เอมชิบหกเอ็มสามชิบสองอะไรต่ออะไรสารพัดอันนั้นเวรสนองเวรอ น, นั้นภัยสนองภยัยเหตุนั้นจึงทรงสนเสริญศีลห้าศีลังโลเกออนิตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกอธิโลเกศีลกุณูศีลมีอยู่ในโลกสัจจังโสยจัยนุทยะ ความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกโลกคือหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนเราว่าโลกภายในโลกภายนอกก็คือหัวใจท่านผู้อื่นและสัตว์อื่นและตอนไม่พักยะโลกมีหลายอย่างสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารโลกโลกคือสังขาร เทวโลกได้แก่ชาคามาพัชระกุศลได้แก่เทวดาทั้งหลายพรหมโลกได้แก่รูปภพทั้งหลายอรูปภพทั้งหลายคืออรูปภพมรโลกสังขารโลกสัตว์โลกโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะคามาพัชระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพสิบหกชั้นและอรูปภพสี่ชั้น โลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็นสองแบ่งโลกออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองโลกที่มีใจครองก็ว่าสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นกระเบีนใบไม้มก็จัดเข้าในโลกเหมือนกันโลกทั้งสองโ ล, โลกทั้งปวงรวมลงมาเป็นโลกสอง สังขารเป็นรวมลงมาเป็นสังขารสองสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโรคเป็นทุกอย่างยิ่งโรคทั้งฟวงเป็นทุกอย่างยิ่งย่นลงมาเป็นสองแล้วก็เป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันยาวกันทําไมจึงมี พ, พระนปายพอพะเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์เมื่อเกิดแก่เก็บตายโรคโกฤฤรธหลงเป็นทุกข์ ก็ต้องมีพระนิพพานต้อนรับอีกถ้าหากว่าก็าคือแกเก็บตายเป็นทุกโรคโวดหลงเป็นทุกการปฏิบัติเพื่อบรรเทาไม่ให้โรคโกดหลงทวีหรือเหตเแห่งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้ผู้ที่สร้างบริมีแก่ก้ามาแล้วก็ไปทางรัดเลย พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ได้ได้โลกล้วนอนิจจังได้ได้โลกล้วนทุกขงังได้ได้โลบล้วนอนัตตาทําไมจึงพอใจพิจารณาอนนั้นก็เพราะเห็นสังขารทั้งหลายเต็มไปด้วยกองทุกข์เมื่อเห็นสังหขาสังขารทั้งหลายเต็มไปด้วยกองทุกข์ก็คือสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วก็ไม่ยินดีในสังขารทัง้งปวงก็ไม่ยินดีในโลกทั้งปวงเพราะเห็นโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ เมื่อเห็นโลกจะไม่ได้กองทุกอย่างนี้นะก็ตะเกียบตะกายเพื่อจะพ้นไปจากทุกคือ พ, พระเนป่าท่านสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วก็ พ, พิจารณาอณิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกำลมหายใจเข้าออกผู้นั้นสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วเห็นอนิจจังชัดก็เห็นโลกชัดเหมือนกันเขาโลกจะไม่ไ้วยอ น, นิจจังก็เห็นโลกไม่ต้องสงสัย เพราะปัญญาเป็นผู้เห็นเพราะได้ดวงตาปัญญาแล้วมองเห็นโลกโลกทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยอำนาจอานิจจังเกิดขึ้นแล้กวก็แปรปรวนแล้วสลายนิจหาระหว่างไม่ได้จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนเลยผู้พิจารณาก็พิจารณากิงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนเมื่อเห็นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยอานิจจังทุกขังอนิจจานี้ ก็ไม่ถ้าเยตยานในโลกทั้งปวงก็เป็นตัวศีลชั้นสูงก็เป็นตัวสมาธิชั้นสูงก็เป็นตัวปัญญาชั้นสูงก ล, งกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเพราะศีลสมาธิปัญญาเคลื่อนขึ้นแล้วก็หาหนทางเบื่อหนายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาเท่านั้นเมื่อชนะความหลงของตนที่เคยหลงมาในวัฏฏะทั้งสามแล้ววิญญาณปฏิสนธิเพราะไม่มีความโง่ก็เตะ ก, ก็เจริญไปในตัว วิชาขควา ม, มก็แตะกระเจิงไปในตัวตัณหาความ ท, ทยายามในโรกทั้งปวงก็แตะกระเจิงไปในตัวตายในเวลานั้นก็เข้าสู่พรนิพพานไปะนะภูมิของมรสรวันมีอะไรว่ากหนึ่งอะไรสองสามสี่ห้าอะไรมันต้อเป็นขอสองพันขอสองพันถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่ถึงพระสรวันจะให้ผีตัวไหนมาถึงพวกเราเป็นหน้าที่จะถึงพระโสดามันใช่ไหม พวกคสอบาลดาบันคืออะไรว่าหนึ่งอะไรสองสามสี่อะไรอธิบายมา ด, ดููทีนี้ผู้ไม่มีสินห้าตั้งกฎหมายชาวโลกไม่มีสินห้าตั้งกฎหมายมันก็เป็นกฎอำนาจไม่ใช่กฎธรรมใช่ไหม ถูกไหมอ่าที่นี่กฎหมายไม่บริบูรณ์ใช่ไหมกฎหมายที่ส่งเสริมอวัยวะบริบูรณ์ไหมไม่บริบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยปรชิบหายทั้งผู้ตั้งชิบหายทั้งผู้เอาไปใช่อีกด้วยถูกไหมนั่นพูดน้อยไปเพรอธิบายพูดหลายก่อ น, นับเดียวเสร็จเลยถูกไหมย สินห้าพูดถึงพระโสดาวันไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นนอกจากพุทธไม่เสียดายอยากจะร่วมละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากจะเล่นอบายมุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงสัพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายา อ, าา อ, อกก ย, ายากจะจ อ, อ, อ, อ, องเวรท่านผู้ดใดเพรอยู่แต่ไม่จองเวร เคยทําผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้กกันไปซักข้าพเจ้าจะไม่จองเวรใครนี่เรียกว่าภูมิของพระโถวธรรมะไม่ใช่ได้เลยเขามาเวรเวรไปไฟแล้วไม่ใช่ได้อยากจะแก้แค่ละมึงเถอะไม่มีในท่านกูไม่เอาเมืองเหล่ยมนี่กูจะเอาเมืองเหลี่ยมนั้นไม่มีในพระโถวธรรมะเหตุนั้นจึงวางเวรวางภัยไปซักจึงพิจารณาภูมิทั้งสี่คือสัจธรรมนตริรฉานเปตอสุรกาย หรือเป็ดทุกจำพวกหรือสัตว์นรกทุกจําพวกมีคติเป็นสองไม่มนุษย์กาสวรรค์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเสียด้วยเป็นโลกุตระมนุษย์สวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงอีกเสียด้วยเป็นโลกุตระสวรรค์พระสวาวันไม่ใช่นายทวงละเมิดการค้าขายมีขอบเขตไม่ค้าขายเชื่องอาารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ใช่นายอยากค้าขายสัตว์เป็นเรื่นสัตว์ที่ถว้าก็เป็นอาหาร ไม่ใช่ได้ยาค้าขายนละเมาไม่ใช่ได้ยาค้าขายายาพิษการค้าขายอะไอย่างนี้พระสวัสดวบาไม่ใช่ได้โรคระเมิดเลยใครต้องการพระสวดบิบานก็เอาซะจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำถ้าใช่ได้โรคระเมิดสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ไม่ถูกพระสวดบิบานมันพรหมจรรย์เบื้องต้นถ้าถึงพระสวดบิบานแล้วพระจะคาคาเมนาคาเมีพรนานก็เปิดประตูไปเองประตูใจประตูสติประตูปัญญา ผู้ใดถึงวัสดาบันผู้นั้นถึงทําอันไม่ตายผู้นั้นจะบ่ายหน้าถึงพระรหันต์โดยเร็วไม่มีสิ่งที่จะกีดขวางเลยเป็นสมานทิฏฐิเบือ้องต้นของพระพุทธศาสนาผู้นั้นนับวันจะติบาลหน้าไปทางเฉลยบุญของผู้นั้นนับบันจะติบาลหน้าบาปของผู้นั้นก่นักนับวันจะร้อยล้อหายไปพูดถึงพูดถึงวัสดาบัน ไม่เสียดายอยากร่วงระเบิดศีลห้าไม่เสียดายอยากรวงระเบิดอามาจมุกทุกประเภทไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเรออาเลยย่ำดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดถึงเขาจะทําผิดก็ให้อภัยถึงเราจะไปทําผิดเขาเราก็ขออภัยกับเขาไม่จองเวรเล ย, เยนี่ว่าสงบแลว้วโลกโกรธหลงอันดํายาขาดไปแลว้ว ยังแต่โรกโวดหลงชั้นกลางในชั้นละเอียดชั้นกลางคือพระอนาคามีถ้ากามเวิตกความตริในทางกลามไม่มีในท่านผู้ใดพยาบาทม่ตกความตริในทางพยาบาทไม่มีท่านผู้ใดมีหิงสาววิตกความตริในทางเวรเวียนของท่านผู้ใดไม่มีช่านผู้นั้ น, ถ, นาาออถึงพระอนาคามีแล้วคือนี้ ผู้ใดไม่ยึดถืออดีตรู้รรตามอดีตตามเป็นจริงของอดีตอนาคตรู้ตามเป็นจริงของอนาคตปัจจุบันรู้ตามเป็นจริงของปัจจุบันอดีตคืออะไรคื อ, อนิทานของผู้รู้ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคื อ, อนิทานของผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ท่านผู้ใดไม่สําคัญใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่มากระทบกระเทือนให้มีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลเลยท่านผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วคือพลัง เบื้ต้นของพุทธศาสนาสอนได้ยินดีในคําสอนของพุทธศาสนาไม่ได้คมเ ห, หเงอะไเยินดีให้พิ่แกนาเห็นชัดว่าคําสอนใดๆในใจโลกทานมันอยู่ใต้อํานาจคําสอนของพุทธศาสนาหมดเห็นนั้นจึงยอมปฏิญญาว่านัตถิเนสรณะมันอย่างสรณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะของเราจึงยอมพูดไม่ใช่พูดตาม เคยหูขอห้อหัสบาดเฉยพูดถึงใจสนาคมชัดแน้ว่าด้วยมความแม่คมเห็นด้วยความเห็นเองชัดเองไม่ได้บังคับไม่เห็นคนอื่นถือก็ถือไปตามเขาที่เรียกว่าโลกาเิปไตยถ้าไม่ทําท่าทําทางถึงใจสนาคมก็เก่งคนจะตเตีนหรือเห็นเขาทาก็ทาไปเพื่อแก้าราคาญในสังคม ไม่ได้เห็นอย่างนั้นผููที่เห็นชัดตัดความสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสานานี้เป็นคําสอนที่ทรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติเนื้อานสมบั ต, ติให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นก็ยอมเคารพนับถือนั่นเรียกว่าชูพระเจ้านูเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ได้อย่างล่วงละเมิดสิ้นห้าอีกไม่เช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันอีกไม่ใช่ได้ อยากจะล่วงเอาไปยมุกอีกเมื่อมันเริ่มใสพระพุทธศาสนาพอมันก็ไม่เสียดายที่มันเสียดายล่วงละเมิดก็พระมันจะขบฏพระพุทธศาสนาอยู่เพราะยังถือว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ทันสมัยเขามันถืออย่างนั้นเมื่อมันถืออย่างนั้นมันก็เป็น สัตยทิตติความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนในพระพุทธศาสนาะวิจิตรสามัญก็ลังเลยในพระพุทธศาสนาะสีลัปตปาปนมาตมันก็รูปคลําที่นี่นั่นสังโยษสามันก็ไม่ขาด เ, เพราะความเริ่มใสของมันไม่พอถ้าความเริ่มใสของมันพอในพระพุทธพระ ธ, ธรรมพรสง์แล้วนะสังโยชน์ทั้งทั้งหลายก็ขาดและก็ไม่เสียด้ย่วงละเมิดสินห้าด้วยเพราะเห็นว่าเป็นทางชีพหายไม่ใช่ทางเจริญ แล้วไม่ใช่ได้อยากลองละเมิดอาบาัยมุกด้วยเพราะไม่ถือว่าอวาัายะมุกเป็นทางเจริญไม่ใช่ชางชีพหายเอาไฟจุดบ้านเอาไฟจุดมนุษย์สมบัติแล้วก็จุดวัตถุนิยมและอุดมคติภายในตัวด้วยไม่ถือเลือดียามดีด้วยไม่ถือศาสนาอื่นมาปนไปด้วยผีก็ถือ ทามก็ถือพรมก็ถือต้นไม้ผูเขาก็ถือเขาว่าพุทโธก็ว่าเขาเขาเขาไปวัดก็ไปเขาเขาเขาไปถือผีก็ไปเขาเขาเขาไปแก้ต้นไม้หาเลข ก, ก็ไปเขาเขาเขานอนเสี่ยงวุญเสี่ยงกรรมฝันไปหาเลข ก, ก็ฝันไปเขาเขาอะไปหารบกวนพระไปผูกเอาเลขเอาผาอันนั้นไม่ใช่พวกพระสวสดา์บันพระสวสดันพระสวัสดาพระสวสดขาดธานี เจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมหรอดีใจไห ม, มคนโกงโกรธคนดีชอบใจถูกไหมฟังเทศออกใครชอบใจ เขาไม่ชอบใจก็โกรธละมีน้ำซ้ำหาว่าหลวปู่พรุษสวาจาเพื่อคำหยาบสัมผัสปราประพูดเพื่อเชอิยมันยังเพิ่มเข้าไปอีกถ้าไม่นึกอย่างนั้นก็เรียาฟังเทศออกพระนางสั่นที่สะเลยสั่นเสียดออก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 พระโสดาวันใจถึงใจถึงทางใช่ไหมปีนเกี้ยวพระพุทธศาสนาใจถึงในทางรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ได้รักษาศีลห้าพระโสดาวันศีลห้ารักษาพราะไม่เสียดายร่วงละเมิดจะรักษาทําไมไม่เสียดายอย่าเล่นอบายมุกเพราอบายมุกรักษาไม่ได้รักษาอบายมุก ไม่ใช่ไลยอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยเขาทำผิดก็ไม่จองเวรเคยทำผิดกับเขามาใจชาดกอก็ให้เลากันไปซักถ้าเขามาขอใหม่ก็ให้เล่ากันไปซาาั ก, กซท่านก็นึกไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะพูดออกอวดหรือไม่ออกอวดท่านก็นึกอย่างนั้นพอเห็นเวรเห็นภัยเป็นของท่องเที่ยวในวัดจ้าสองสาลเวรไพยอันยบยาบปลดแล้ว เวรัมณีเวรัมณีปานาทิปาตาเวรัมนีปานาทิปาตาเป็นข้อห้ามเวรัมณีแว่นแล้วชกคาไปทางสมาธิยาไม่เป็นชิคาวดึงหนึ่งอจินนาธานาเวรัมนีก็เหมือนกันเมรัมณีแปลเว้นแล้วเวีนอันหยาบหยาบนี่มุสาวาทานีก็เหมือนกันกาเมสุเมชชาจาราเวก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันชุราก็เหมือนกันเวีนอันหยาบหยาบนี่พ้นไปแล้วไม่เชียดใจอย่างร่วงระมือเลย ยังแต่เวนอันละเอียดคือเวนของพระอนาคามีสักขาคามีสักขาคามีก็อยู่ในชั้นเดียวกันกับพระโสดาบันแต่ว่าสอบอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ได้ที่หนึ่งของพระโสดาบันพระโสดาบันในที่สองพระโสดาบันเอกพิชีได้ได้ที่หนึ่งพระโสดาบันเอกพิชีได้ที่หนึ่ง โกรังโกะได้ที่สองสตะคคาตัวปรมะได้ที่สามสักคาคามีสอบได้ยิ่งกว่าพระโสดาบันอีกแต่ว่าชั้นเดียวกันส่วนพระอนาคามีสอบได้ไม่มีกรรมารุมเลไม่ได้นกถึงกามมันจตกหรือพยาบาทวิตตกก็ไม่มีวิเหิษสามวิตตกก็ไม่มีมันก็สงบมาแต่พระโสดาวันแล้ว กามั่งตกของพระสวัสดิบาลมีอยู่ไม่ตกแต่กับภรรยาและสามีของตนไม่ได้ว่าหวังว่าจะล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ได้รักษาญาไม่ได้หวังว่าจะล่วงละเมิดสามีเขาภรรยาเขามีกามั่งมีตกอยู่แต่ว่าเป็นการมั่งมีตกที่ไม่ได้ไปนรกพยาบาทไม่ตกไม่มีมีสามีตกก็ไม่มีเรล่ากองไปแล้ว ถึงมีก็คว้าทันส่วนพระอนาคามีไม่มีเสร็แล้วการมนี้่ตกไม่มีพยาบาทไม่ตกไม่มีถึงจะนึกนึกถึงกามาไม่ตกก็นึกเฉยๆไม่มีความกำหนัดสัมพยุ ด, ด้วยถึงจะนึกถึงพยาบาทไม่ตกก็ต า, ามแต่ก็ไม่มีความพยาบาทด้วยนึกเป็นธรรมดาเฉยๆรมคําสอนของพุทธศาสนา ใครเอาไม่ใช่เวลาไหนก็ไม่บูดก็ไม่ลาดสมัยให้ทาสมัยอยู่ทำไมจึงอาบนา้ำเพราะร่างกายมันสกรปรกทำไมจึงทานอาหารเพราะมันหิวทำไมจึงรักษาโรคเพราะร่างกายมันมีโรคจริง ทำไมมาจึงรักษาศีลธรรมมีทานวัตศีรวัดภาวนาวัตเป็นต้นก็พ่อจิดใจแต่ละท่านละคนมันมีกิเลสจริงๆถ้ามันไม่ไม่มีกิเลสการรักงับหรือบรรเทากิเลสก็ไม่ต้องเอ่ยทําไมจึงหวังเพื่อเข้าสู่พระนิพพานเพราะเกิดเจี๊ยบตายโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์จริงๆเห็นชัดอย่างนี้จึงยินดีในพระนิพพาน <c oughs> <c oughs> จะไม่เข้าพอสถึงพระสวัดาบันมันก็ไม่ถูกถ้าพุทธบริษัทไม่ให้ถึงพระสวัดาบันสักตาคามีอนาคามีอหรหันต์เป็นแับไปจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัตินั้นพระเจ้มาถ้าพระพุทธเจ้าสอนมาแต่ละยุคละยุคก็สอนได้เพียงเขาโกเท่านั้นส่วนคนโกก็ไม่ได้ก็ยกไหวาตามบุญตามกรรมให้พระพุทธเจ้าองค์หน้า ถึงจะมีมากก็ต า, ามก็าหารลงมาที่ใจ <c oughs> พุทธธรรมสงก์ก็ทรงอยู่ที่ใจพุทโธแปลผู้ระบาบบาเพ็ญบุญเพื่อเข้าสู่พระานธรรมโมกอก็ทรงไว้ซึ่งระบาบบําเพ็ญบุญเพื่อเข้าสู่พระพานสังโฆเขาปฏิบัติเพื่อระบาบบําเพ็ญบุญเพื่อเข้าสู่พระพานตกลงพุทโธธรทรมโอสังโฆ ก, ก็เป็นเชื่อกสามเกลียวอยู่ที่รวมใจชิ้นห้า ถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้ากเกลียวอยู่ที่ดวงใจสินแปดถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจสินสิบสินสองรอยี่สิบเอ็ดงนันกันก็ะย่นลงมาหาใจในปัจจุบันจึงเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลจึงเอาปัจจุบันเป็นตัวสมาธิจึงเอาปัจจุบันเป็นตัวปัญญาสัมพยุติกันอยู่ถ้าจะแยกศีลออก คนละข้อละข้ อ, อยุทุกอยู่ทุกขนทุกแห่งอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องคําสอนแต่ระบบระบาดไอาที่แท่มารวมกันอยู่นี่เหตุนั้นจึงว่าให้ปฏิบัติรวมคือรวมศีลสมาธิ ป, ปัญญากรงกลื่กันในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติรวมถ้าสงสัยว่าศีลอยู่เมืองฝ้าแล้วก็สมาธิก็อยู่เมืองพญานาคแล้วก็พัญญาก็อยู่เมืองพระพมอย่างนี้มันก็ไปใหญ่นะ ศีลอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั้นปัญญาก็อยู่ที่นั้นศีลคำว่าศีลีรังศีลังยาจามิศีลังยาจามิจงทําให้จิตแน่นเหมือนศีลาให้รักษาศีลสมาธิก็จงทําให้จิตแน่นลงไปกว่านั้นอีกปัญญาก็จงทําจิตให้รอบรู้ในกองศีลและกองสมาธิ ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรทีนี้ศีลสมาธิปัญญาของพระสวสดาบันในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระสกทาคามีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระธรรมในปัจจุบันก็บกริบูรณ์แล้วเป็นศีลที่ไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเป็นสมาธิที่ไม่มีโรคมีโกรธมีหลงสัพพยุต เป็นปัญญาที่ไม่มีโรคมีโกรธมีหลงสัมพยุตเป็นมหาศีลจบแล้วเป็นมหาสมาธิจบแล้วเป็นมหาปัญญาจบแล้วในปัจจุบันพุทธะสี่จำพวกสมาธิพุทธะจำพวกหนึ่งมัจเจกขพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิการจำพุทธะจำพวกหนึ่งเดียวกับพุทธะสี่จำพวก พระศราราันเป็นสาวกโกฟุตโธเอกเทศพระเจ้าาถาคามีก็เป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เป็นสาวกโกฟุตโธเป็นเอกเทศพระทหารเป็นสาวกโกฟุตโธเต็มภูมิแล้วสิงเล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธกัปิจาราทั้งนั้นเพื่อหัดให้แตกแานในอัตในคำถ้าอย่างนั้นปฏิสัมพิทาสีมีไว้ทําไม เป็นเป็นเพียงพระพาเฮีเป็นในสักวารูปเป็นในสักว่าเห็นครับพอแล้วแต่ขาเนี่ยปฏิสังขารสีด้วยเป็นในสักว่ารูปเป็นในสักว่าเห็นคือหมายความว่ายังไงเป็นในสักว่ารูปเป็นในสักว่าเห็นเราไม่ยึดถือผู้รูปผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจบตรงเพียงนั้นไม่ส่งไปให้ถึงราคะโทสะโมหะไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถอนอัตวาทุปาทานอยู่นาทีนั้นเอง ประเทศอนัตตาใส่เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอบรมบ่มนิสัยมาแต่ข้างพระเจ้ากระจบโปลแล้วเรื่องผักบันไดน ใ, นใครๆก็จะได้ทราบบาลมีแก่กล้ามาแล้วก็ไม่จำเป็นจับตารบให้ยาวพูดที่บาลมีแก่กล้ามาแล้วคาแลรวัตดระบาดของพระพุทธศาสนาส่งต่อรพระานหมดมันขึ้นอยู่กับพูดสร้างบาลมีแก่กล้ามาแล้ว แค่ห น, นโมคําเดียวก็ส่งต่อพระยานหมดน้นโมพระทหารพระทหารเรียน้โมจบแล้วน้โมแปลว่าน้อมนอมน้อมน อ, มนอมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายไม่โรค ไ, ไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมนั่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่นี่เขาว่าให้ลู่พูดว่าลพบุรุก็จะให้พรพระโลกะเมณิมุตโตพระสัญญาประวัติที่โตพระเวนรติกันโต นิพุโตโจะตัววังพร ะ, ะให้พรจนถึงพระเนาพานักปีเตียววัดชันตุสภทุโขโวสะพายโยชมาโรโคมินัตนัตุมาเตวะวัตวนทรายโยสุขีทีคาโยโขพร ะ, ะอภาาิวาทนาสีทิตนิจังวชาปิชายโลกระจาโรตามาวัชันติอายุวันูนสุขงรรังพะหลังเสียงให้พรก็คือเสียงปล่อยเวรไภใช่ไหมเสียงสาบเสียงแช่งก็คือเสียงผูกเวรใช่ไหม เอาละจี <All> right. <laughs>